คาถาต่อไปว่ายศและเกียรติในการก่อนของภิกษุนั้นย่อมเสื่อมไปภิกษุเห็นความเสื่อมนั้นแล้วพึงศึกษาเพื่อละเมธุนธรรมเสียนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าเกียรติยศที่เคยมีในการก่อนในสมัยบวชเนี่ยหายไปหมดเลยคําว่าเกียรติยศในการก่อนของภิกษุนั้นย่อมเสื่อมไปคําว่ายศยศคืออะไรยศก็คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อันชนทั้งหลายส ก, การะเคารพนับถือบูชานอบน้อมแล้ว เป็นผู้ได้ปัจจัยสี่นะคือจีวนบินธบาทเสนาสนาักิีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารในการก่อนคือในคราวเป็นสัมมนอันี้เรียกว่ายศก็คือคนเขาเคารพนับถือนับหน้าถือตาบูชาหาข้าว ห, หาข้าวของเครื่องใช้มาโอ้มาเทินให้เต้มไปหมดเลยคำว่าเกียรติเกียรติก็คือชื่อเสียงนะว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็น ผู้อันชนทั้งหลายสรรเสริญเกียรติคุณว่าสมัยก่อนเคยมีเกียรติว่าเออเนี่ยเป็นบัณฑิตนะเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรมีถ้อยคํำไพเราะมีปฏิพานดีมีการทรงจําพระสูตรจําพระวินัยจําเป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถือบินทบาทเป็นวัดทรงผ้าบังสกุลเป็นวัดถือไตรจีวรเป็นวัดเที่ยวบินทบาทเป็นวัดนะนะก็คือถือรักษาธุดงค์อะนะว่าแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นผู้มีปัญญานะฉลาดทรงจําพระไตรปิฎกเหมนกัน ขณะเดียวกันก็เป็นภาพที่ถือธุดงเคร่งครัดนะันเอ่อเรียกว่าฉันอาสนะเดียวอยู่ในเสนอาสนะตามที่เขาจัดให้เมื่อก่อนเนี่ยนะได้รูปประชานคือปฐมฌานทูติยะฌานตติยะฌานหรือ จะตุถิชานหรือได้อารูปฌานคืออาการสารนัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญยายตนะเนวสัญญาณนะสัญญายตนะอันนี้เรียกว่าเกียรติในก่อน น, นอะเมื่อก่อนเนี่อุ้ยดีมากเป็นคนพราดมีปัญญาทรงจำพระไตรปิฎกรักษาทุดงเคร่งครัดได้รูปฌานอารูปฌานนี่เรียกว่าเกียรตินะเกียรติที่เขาเคยยกย่องอ่ะ ทำว่ายศและเกียรติยศก็คือเขานับถือมากเกียรติก็คือชื่อเสียงหลงหลังเลยนะในการก่อนของภิกษุนั้นย่อมเสื่อมไปความว่าสมัยต่อมาภิกษุนั้นบอกคืนคือลาพระพุทธเจ้าลาพระธรรมลาพระสงฆ์ลาศิกขาก็คือศึกสมัยนี้เรียกวาศึกเวียนกลับมาเป็นเครือขัดยศและเกียรตินั้นย่อมเสื่อมไปคือเสื่อมรอบสิ้นไปหมดไปศูนย์ไปสลายไป คำว่าพิสูจเห็นความเสื่อมแม้นั้นแล้วพึงศึกษาเพื่อละเมธุนทำเสีย้ยนี่หละเออถ้ารู้ว่ามันเสียหายนะก็เสื่อมแม้กระทั่งปัจจัยสี่เสื่อมแม้กระทั่งคุณธรรมที่เคยมีในก่อนหมดเพราะฉะนั้นก็เห็นความเสื่อมคำว่านั้นคือภิกษุน์นั้นเห็นพบเทียบพิจารณาทําให้แจ้งทําให้แจ่มแจ้งซึ่งสมบัติและวิบัติสมบัติก็คือชื่อเสียงเกียรติยศในตอนบวชนะวิบัติคือเมื่อสึกก็เสียหายอย่างที่กล่าวไป เพราะฉะนั้นยศและเกียรติในการก่อนคือในคราวเป็นสมณะว่ากลายเป็นคนเสื่อมยศและเสื่อมเกียรติของพิสูจผู้บอกคืนพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลาสิกขาเวียนมาเป็นครือัสในภายหลังเพราะฉะนั้นเห็นความเสื่อมเห็นความเสื่อมตอนศึกมาเห็นความเห็นความเจริญในตอนบวชนะ น, นั้นก็พึงศึกษาศิกาขาสามเพื่อละเมถุนธรรมคําว่าศึกษาศิกขาสามเนี่ยนะก็คือศึกษาอาธิศีลสิกขาอาธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา คือถ้ารู้ว่าตัวเองจะต้องเสื่อมอย่างนี้รีบเพียรเจริญไตรสิกขานะไงถ้าเจริญสรายไตรสิกขาจนเพียบพร้อมบริบูรณ์ก็จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้อย่างนั้นสิกขาสามก็อาธิศีลสิกขาเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมแล้วด้วยความสํารวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายศีลขันน้อยศีลขันใหญ่ ศีลเป็นที่ตั้งเป็นเบื้องต้นเป็นเครื่องประพืชเป็นความสำรวมเป็นความระวงังเป็นปากเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนะว่าอาธิศีลและสิกขาเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลเปรียบเหมือนแผ่นดินใช่ไหมเป็นที่เจริญงอกงามแห่งต้นไม้ใบหญ้าแห่งคนสัตว์ของเลี้ยงทั้งหลายเนี่ยก็อาศัยแผ่นดินเนี่ยอยู่ฉัน้นใดสมถาวิปัสนาทั้งหลายก็เจริญงอกงามอยู่บนแผ่นดินฉันนั้นเนี่ย อนัทที่ศีลสิกขาจึงเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายอธิจิตสิกขาเป็นฉไนะอธิจิตนะก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกรามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปัมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าอธิจิตสิกขาก็คือปฐมฌานนะนะเพราะวิตกวิจาร์สงบไปบรรลุทุติยฌานอันมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมะเอกผลขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่อันธุติยะฌานก็ชื่อว่าเป็นอธิจิตตสิกขาเพราะปีติสิ้นไปมีอุเบขามีสติสัมปชาัญญะเสวยสุขด้วยนา ม, มากายบรร ล, ลุตาติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบขามีสติอยู่เป็นสุขนะฮะอันตาติยะฌานก็เป็นอธิจิตตสิกขาเหมือนกัน เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมนัติก่อนๆได้บรรลุจตุทัชฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้เรียกว่าอธิจิตตสิกขานั้นที่กล่าวไปก็คือฌานสี่นะถึงกับฌานหนึ่งสองสามสี่นี้เรียกว่าอธิจิตตสิกขาส่วนที่ปัญญาสิกขาเป็นฉไฉพิกูนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันให้ถึงความเกิด อันให้ถึงการรู้ความเกิดและความดับอันเป็นอริยะรู้ความเกิดแห่งขันห้ารู้ความดับแห่งขันห้าเนี่ยนะรู้ความเกิดแห่งขันห้าด้วยอาการยี่สิบห้ารู้ความดับแห่งขันห้าด้วยอาการยี่สิบห้ารู้ความเกิดความดับแห่งขันห้าด้วยอาการห้าสิบเนี่ยอันการรู้ความเกิดอย่างเงี้ยละอุเฉททิธิรู้ความดับลัสตะสสติธิรู้ความเกิดก็รู้สมุทัยสัตว์รู้ความดับก็รู้นิโรสัตว์เนี่ยนะไอความรู้เหล่าเนี้ที่เป็นอริยะชั้แรกกิเลสให้ถึง ความสิ้นทุกข์โดยชอบอันถ้ารู้อย่างนี้ก็จะรู้ชัดตามเป็นจริงวันนี้ทุกขนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธถาขามินีปฏิปทาถ้าบรรลุอริยสัจอย่างนี้ก็ต้องรอบรู้ว่าเออนี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะนี้เรียกว่าอธิปัญญาสิกขาย์ยังไะเป็น สิกขาสเนี่ยนะอธิศีและสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาเนี่ยในที่อื่นท่านกล่าวว่าศาสนานี้มีสิกขาโดยลําดับเรียกว่าอนุปปภะสิกขาท่านการปฏิบัติการศึกษาสิกขาสามอธิศินนะก็เพื่อเจริญอธิจิตเนี่ยนะศึกษาอธิศีลก็เพื่อรองรับอธิจิตอบรมอธิจิตเพื่อรองรับอธิปัญญาท่านผู้ที่อบรมศีลอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาได้อย่างบริบูรณ์ก็คือเป็นพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องศึก ศึกษาคือไม่ต้องศึกษาศิกษาสามนี้อีกต่อไปเนี่ยนะเพราะเป็นผู้จบกิจในการศึกษาคำว่าภิกษุเห็นความเสื่อมนั้นแล้วพึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมนั้นเสียเนี่ยนะก็คือพึงศึกษาแม้อธิศีนพึงศึกษาแม้อธิจิตพึงศึกษาแม้อธิปัญญาเพื่อละเพื่อสงบเพื่อระ ง, งับเพื่อสละคืนเพื่อระ ง, งับเมธุนธรรม เพราะฉะนั้นก็เมื่อนึกถึงสิกขาเนี่ยนะนึกถึงนะเพื่อว่าไ อ, อ้อธิศีลจะเกิดได้ยังไงอธิจิตจะเกิดได้ยังไงที่ปัญญาจะเกิดได้ยังไงอธิปัญญาจะเกิบบดบ่อยๆได้ยังไงในระหว่างนึกถึงสิกขาเหล่านี้ให้บ่อยเพราะนั้นเมื่อนึกถึงบ่อยก็รู้เมื่อรู้ก็จะเห็นเมื่อเห็นก็พิจารณาพิจารณาอบรมสิกขาเหล่านั้นเนี่ยนะมันเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็อธิฐานจิตเนี่ยที่ฐานให้สิกขาเนี่ยเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อเจริญอย่างนี้แล้วก็ปรับอินทรีย์นะน้อมใจไปด้วยศรัทธาประคองความเพียรตั้งสติตั้งจิตให้มัน่นรู้ชัดด้วยปัญญาอันนี้ก็เมื่ออ บ, บรมสิกขาให้สิกขาเป็นไปเนี่ยนะก็ให้อินทรีย์เนี่ยเจริญยิ่งขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่มีอธิสิลัสิกขาคือเป็นผู้มีศรัทธาบริบูรณ์ผู้ที่มีที่จิตสิกขาก็คือมีวิริยะสติและสมาธิผู้ที่มีที่ปัญญาสิกขาก็คือมีปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิกขาสามก็คือ อินสี่ห้าเนี่ยนะก็ไม่ได้มีความต่างกันโดยอัดอะไรฉะนั้นเมื่อบริบูรณ์ด้วยอินทรียห้าอย่างนี้ก็จะรู้ยิ่งธรรมะที่พึงรู้ยิ่งเนี่ยนะอะไรก็คือรู้ยิ่งด้วยยาตะปริญญากําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาละธรรมะที่ควรละด้วยปหานะปริญญาก็จะเจริญธรรมะที่ควรเจริญคืออริยมรรคเนี่ยนะมันก็จะทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานและสามัญญผลที่ควรทําให้แจ้ง เพราะฉะนั้นพึงศึกษาพึงประพฤติเอือ้อเฟื้อประพฤติด้วยดีสมาทานประพฤติซึ่งสิกขาสามเหล่านี้เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเชื่อว่าเห็นความเสื่อมนั้นแล้วพึงศึกษาสิกขาสามเหล่านี้แหละเพื่อละเมถุนธรรม น, นะคือเห็นโทษของการศึกเห็นคุณของการบวชอย่างนี้แล้วก็หมั่นอบรมตั้งมั่นอยู่ในไตรสิกขาเหล่านี้นะโดยสรุปคาถาที่ว่ายศและเกียรติในการก่อนของภิกษุนั้นย่อมเสื่อมไป ภิกษุเห็นความเสื่อมแม้นั้นแล้วพึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมเสียเนี่ยนะภิกษุนั้นถึงพร้อมด้วยความด âm ร, ริย่อมซบเซาเหมือนคนกำพร้าได้ยินเสียงตีเตียนของชนเหล่าอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เก้อเขินเป็นผู้เช่นนั้นเะนี่ยนะคือถ้าศึกมาจะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะถึงพร้อมด้วยความด âm ร, รนินะซบเซาเหมือนคนกำพร้าถ้าศึกมาก็อย่างนั้นแหละ คืออะไรพิสูจนั้นอันความดำริในกาม น, นะนะพอศึกมาแล้วจะมาคิดธรรมะใช่ไหยคิดรอกมาคิดถึงกามอะไรกันนี้ดำริด้วยดำริด้วยคิดด้วยความพยาบาทเนี่ยนะพยาบาทวิตตกกับกลุ่มรุมดำริด้วยความเบียดเบียนดำริด้วยทิฐิถูกต้องครอบงํากลุ่มรุมประกอบท่านก็นแล้วย่อมซบสาวซึมสาวเสื่อมซึมงอยเงาเหมือนคนกัมพระเหมือนคนโง่เหมือนคนหนคนลงไหลฉะนั้นแหละนะ คือเมื่อก่อนเคยมีแต่เนกขมมะวิตกอัพยาปาธาวิตกอวิหิงสาวิตกอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิเจริญสมถะวิปัสนาเป็นไปใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะเขหมกหมกมุ่นในกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอาทิทิฏฐิเนี่ยพาไปแล้วคันนี้เพลนเขาย่อมซบเศ้าเสื่องซึมเอ่อซึมเศร้าเสื่องซึมงอเงาเหมือนคนกัมพระคนโง่ค น, คนลหลงไหล อุปมาเหมือนนกเค้าเนี่ยคอยดักจับหนูอยู่ที่กิ่งไม้ย่อมซบเร้าซึมเศ้าเสื่องซึมง้อยเหงาฉันใดนะเคยเห็นนกมันรอดักหนูนะนกเนี่ยที่มันจับอยู่กิ่งไม้มันเงียบนิ่งไงนิ่งงั้นจะคอยเห็นหนูอ่ะเหมือนสุนัขจิ้งจอกดักจับปลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําก็ย่อมซบเศ้าซึมเศ้าเสื่งซึมง้อยเหงาฉันใด แมวคอยดักจับหนูในที่ต่อในที่ท่อน้ําที่ฝั่งน้ํา ม, มีน้ําเปียกย่อมซบเสาซึมเศร้าเสื่อมซึม ง, ง้อยเงาฉันใดลามีแผลที่หลังเนี่ยลานะย่อมซบเศ้าซึมเศร้าเสื่อมซึม ง, ง้อยเหงาอยู่ที่โขดหินที่ท่าน้ําและฝั่งมีนม้ําอฝั่งมีเปือกตมฉันใดภิกษุนั้นก็เหมือนกันฉันนั้นนั่นแหละเป็นผู้หมุนไปผิด อันความดำริในกามเนี่ยนะคิดถึงแต่กามคิดถึงด้วยอำนาจกิเลสกามดำริด้วยความพยาบาทดำริด้วยความเบียดเบียนดำริด้วยทิฏฐิถูกต้องครอบงำกลุ่มรุมประกอบย่อมบซบเสาวซึมเสาวเสื่องซึมงอยเงาฉะนั้นเหมือนคนกัมพระคนโง่ค น, คนลหลงไหลเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามากไปด้วยความดำริย่อมบซบเสาวเหมือนคนกัมพระเนี่ยนะก็ชีวิตของผู้ที่ศึกมาเป็นอย่างนั้นแหละไม่ต่างอะไร คำว่าได้ยินเสียงติเตียนของชนเหล่าอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เก้อเขิน น, นะหวยเขินแหละนะความว่าชนเหล่าอื่นครูอุปชาอาจารย์ชนชั้นอุปชาชนชั้นอาจารย์มิตรบ้างคนที่เคยเห็นคนที่เคยคบกันสหาย น, นะทั้งทั้งทั้งพระทั้งคารวะแลนะที่เคยรู้จักกันเขาก็ย่อมตักเตือนว่าดูก่อนอาบุโซ น, นะเขาจะว่าไหมเขาไม่ได้คารวะทั่วๆไปเขาชมไหมโอ้ดีแล้วที่ศึกเขาไปว่างั้นไหยไม่ค่อยว่างั้นจารย์สอนว่างั้นหรือเปล่าไม่ว่าเลยนะ เพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่ใช่ลาภของท่านแล้วเล่ท่านเอาดีไม่ได้แล้วข้อที่ท่านได้พระาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่เห็นปานนี้ได้บวชในธรรมวินัยที่พระาศาสดาตรัสดีแล้วอย่างนี้ได้คณะพระอริยะเห็นปานนี้แล้วก็ยังบอกคืนพระพุทธเจ้าบอกคืนพระธรรมบอกคืนพระสงฆ์บอกคืนศิกขาเวียนมาเพื่อความเป็นครือขัดเพราะเหตุแห่งเมถุนธรรมอันเลว ะท่านเชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นคนไม่มีศรัทธาจริงๆอ่ะนะะนะเป็นผู้ไม่มีหิริในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีโอตปะในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีสติในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายอ่ะนะก็ ไปหาใครใครก็ต่อว่าเอานะกลับไปหาอุปชาอุปชาก็ว่าไปหาอาจารย์อาจารย์ก็ว่าไปหาโยมอุปทักโยมอุปทากก็ว่านะไปเยอะคนรู้จักกันก็เขาก็ว่ากันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพี่สูนั้นได้ยินได้ฟังกําหนดพิจารณาตรวจตราซึ่งถ่อยคําเป็นคําเป็นคลองคําแสดงคําสั่งสอนของอุปชาเป็นต้นเหล่านั้นก็เก้อเขินขวยเขินอึดอัดกระอักกระด๊าเสียใจอ่นะเครียดเลยว่างั้นยิ้มไม่ออกเลยนะมีไอ้น้องคนหนึ่งที่ ลูกญาติาเนี่ยเขาศึกไปนะเขารู้ว่าเราไปเยี่ยมบ้านเนี่ยโอ้ยเขาหน้าม้วนกลับมาเลยนะมาพบเนี่ยนะมาเขาไม่อยากไม่อยากนะเขาอายมากเลยนะเขาอึอดอัดเขาเครียดเลยมาหาเราเนี่ยนั้นคาว่าผู้เป็นเช่นนั้นได้แก่ภิกษุผู้มิน้นผู้หมุนไปผิดนั้นย่อมเป็นผู้เช่นนั้นคือเป็นเหมือนกันเช่นนั้นเป็นผู้ดำรงอยู่อย่างนั้นเป็นผู้มีประการอย่างนั้นเป็นผู้มีส่วนเปรียบอย่างนั้น หมายความว่าพอได้ยินเสียงคนอื่นเขาติเตียนก็ว่าก็เออขินอายเนี่ยนะอันสรุปคาถาว่าพิษสูนั้นถึงพร้อมด้วยความดําฤทธิ์ที่เป็นอักุศลมีการมวิตกเป็นต้นก็ซบเซาเหมือนคนกําพร้าได้ยินเสียงตีเตียนของอุปชาจานันผู้อุปถักเป็นต้นก็แล้วก็เขินอายเนี่ยนะเหมือนคนกําพร้าฉะนั้นน่ะ